ภาวนากันหรือเปล่าปฏิบัติหรือเปล่าวันนี้จะไปเที่ยวไหนบ้างล่ะเมื <c oughs> ่อก่อนก็มีนะมีเยอะสมัยครูบาอาจารย์ทางอีสานมีมากๆากอ่้วซื้อถั่วนะมีถั่วเที่ยววั ด, ดวไปวัดนี้ออกวัดโน้นส่วนมากไปทำบุญนะไปกราบๆนะเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปถือ ถาถึงอีกวัดหนึ่งได้เวลากินข้าวก็กินข้าวก่อนแล้วก็เข้าห้องน้ําแล้วก็ไปอีกวันหนึ่งต้องได้เก้าวัดอะไรเงี้ยเลือกดูสมไยโน้นครูบาอาจารย์มากสำนวนชาววัดนะเขาเรียกว่าพวกอรหันทัวได้ข่าวว่าพระอรหันต์อยู่ที่ไหนก็ตะเวนไปหารจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้หรอกนะเพราะเราไม่มีทางรู้ได้หรอก ตะเวนไปเรียนไม่ค่อยได้ผลออกก็แต่ละแห่งครูบาอาจารย์แต่ละองค์จะสอนแตกต่างกันไปยิ่งฟังมากยิ่งสับสนแต่หลวงพ่อตะเวนเยอะก่อนจะตะเวนเยอะนะี่เราพอหนกเป็นละวจนเราแยกแยะได้ดูสภาวะได้และแยกออกแล้วก็จิตใจมันลงกันด้วยธาตุนะ เวลาไปหาครูบาอาจารย์องค์ไหนนะถ้าใจเรารู้สึกสนใจนะ mm. ท่านมักจะดี mm. บางองค์มีชื่อเสียงมากเลยไปไหนทีคนแห่ตามเป็นหมื่นๆเลยใจเราเฉยเฉยจูดสนิทเลยเคยเจอแบบจังๆหน้าเห็นแล้วก็เดินหนีไป mm. เราแยกแยะไม่ออกทำไมเราแยกไม่ออกนะเพราะเราไม่รู้หลักของธรรมะ ถ้าใจเราได้ธรรมะมีหลักของธรรมะนะหรือแม้กระทั่งใจเรายังไม่มีธรรมะแต่เราได้ศึกษาได้ฟังธรรมมีความแยบใายในการพิจารณาเราก็จะไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามงคลตื่นข่าวเพราะเราต้องเรียนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเวลาเราได้ยินครูบาอาจารย์แต่และองค์พูดเนะี่ยไม่ใช่ว่าท่านไม่ดีนะแต่ท่านก็ดีแบบของท่านแต่ละองค์แต่และองค์ ถ้าเราไม่รู้หลักของการปฏิบัติเราจะสับสนยกตัวอย่างเราเข้าไปวัดนี้อาจารย์บอกให้พุโทโธเข้าไปอีกวัดหนึ่งอาจารย์ให้หายใจอีกวัดหนึ่งอาจารย์ให้เดินจงกรมพอได้สามวัดแนละกลับมาบ้านจะทำยังไงดีเพื่อให้ได้ชื่อว่าเชื่อฟังอาจารย์เราก็เดินจงกรมด้วยหายใจด้วยพุโทโธด้วย <c oughs> ไม่บากก้าก็เกือบเกือบเครียดถ้ารู้หลักแล้ว การปฏิบัติจะไม่ยากเลยเราจะฟังปุ๊บเราจะรู้เลยว่าที่ท่านสอนนั้นท่านมุ่งหวังอะไรการปฏิบัติมันมีสองส่วนส่วนของสมถกรรมฐานกับส่วนของมิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนะทำไปเพื่อให้จิตมีความสงบเพื่อให้จิตมีความสุขเพื่อให้จิตมีความดีเวลาจิตมันฟุ้งซ่านก็ทำสมถะ จิตก็สงบเวลาจิตมันไม่มีความสุขทำสมถะแล้วมันก็มีความสุขเวลากิเลสมากๆนะทำสมถะข่มกิเลสได้ชั่วคราวนนเรื่องของสมถะวิธีทำสมถะนะแสนง่ายอะไรก็ได้หลักของมันจริงๆก็คือให้รู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องสบายๆมีคำว่าสบายๆด้วย งั้นเราไปเข้าวัดนี้อาจารย์บอกพุทโธนะีวัดนี้อาจารย์ให้หายใจวัดนี้อาจารย์ให้เดินวัดนี้อาจารย์ให้นั่งอย่างเดียวห้ามกระดุกกระดิกนะมีวิธีปฏิบัติหลากหลายมากเลยแต่ถ้าเรารู้หลักนะเราก็จะพบว่าไม่ว่ารูปแบบมันจะเป็นไงหลักมันก็อันเดียวกันถ้าทําถูกนะถ้าทําผิดมันก็ผิดเหมือนเหือกันนั่นแหละ นิสมาธะเนี่ยก็คือให้จิตน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่สบายๆอย่างต่อเนื่องมีเคล็ดลับอยู่ตรงสบายนะเดี๋ยวค่อยพูดรายละเอียดถ้าไม่สบายจิตจะไม่สงบถ้าสบายแล้วจิตจะสงบเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิางั้นถ้าไม่มีความสุขนะใจไม่สงบอย่างเรานั่งหายใจเนี่ยหายใจเนี่ยบังคับจิตจะให้สงบนะจิตยังไงก็ไม่สงบ หือบางทีก็อย่างนี้นะมันไม่สงบหรอกมันไม่มีความสุขถ้าสบายแล้วจะมีสงบง่ายนะสบายมีความสุขมีความสบายแล้วจิตจะสงบนี่เคล็ดลับหลวงพ่อพูดเคยบอกว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจถ้ายัางตั้งใจอยู่ยังจงใจอยู่ไม่มีความสุขหรอกอเครียดเมื่อไหร่จะรวมเมื่อไหร่จิตจะรวมเมื่อไหร่จะรู้โ น, น่นรู้นี่อะไรเงี้ยใช้ไม่ได้ รู้เล่นเล่นรู้ปุ๊บได้ใจที่สบายรู้อย่างสบายสบายรู้เบาเบ า, เบาจิตสงบงทันทีคนที่ชํานาญนี่นะเวลาเข้าสมาธินะ่ะเร็วเหมือนฟ้าแลบเลยปุ๊บถึงเข้าที่ละแต่ถ้าเข้าไม่เป็นมือแต่บังคับจิตอย่างเดียวจิตไม่สงบหรอกกี่วันมันก็ไม่สงบนี่เรื่องของสมถะนะแล้วก็ผลของสมถะเนี่ยนอกจากมีความสุขมีความสงบมีความดีแล้ว มันจะเกิดอาการประหลาดๆดได้เยอะแยๆเลยอาการของปีติบ้างเช่นตัวลอยตัวเบาตัวโครงขนลุกรู้สึกเหมือนฟ้าแลบบุบบุบบๆรู้สึกเหมือนอะไรมาไต่นะมีอาการแปลกๆบางคนก็เข้าใจว่าเกิดวิปัสนาญาณหลังๆมาสอนกันว่าเป็นวิปัสนาญาณ น, นั่นเป็นคําสอนที่ไม่ถูกต้องนั่นเป็นอาการของปีติทั้งหมดเลยเช่นตัวลอยตัวเบาตัวโครงบางคนลอยจริงๆนะลอยพ้นพื้นเลย รุ่นที่พวกเรามีชีวิตยอยู่นี่ยังมีครูบาอาจารย์ที่ลอยๆได้นะเอาเฉพาะที่ไม่มีชีวิตแล้วที่ครูบาอาจารย์สิ้นแล้วนะัที่ได้ข่าวยังหลวงปู่ดูลย์อะเงี้ยนะอาจารย์สมชัยอนะไรนี่นี่เป็นอาการเคยถามมีคนถามท่านหลวงพ่อไม่ถามมาเรื่องพันนี้เรื่องไม่มีสาระเคยมีคนถามท่านหลวงปู่ลอยได้ไงท่านบอกเป็นเรื่องของปีติเป็นอาการของปีติ ป, ตตตนะปิติตัวลอยมีนะปิติตัวลอย ปีติตัวโครงก็มีนะปีติ บ, บุบบุบบ้บก็มนีนัอาการตลาดตลาดนี่เป็นอาการของสมถะหรือบางทีก็เกิดนิมิตนะนอกจากปีติก็มีเรื่องนิมิตนิมิตเบื้องต้นนะหายใจไปหายใจไปสมมติว่าหายใจให้เกิดแสงสว่างรู้แสงสว่างไปมันจะกลายเป็นดวงสว่างนะรู้ดวงสวาง่างคราวนี้ย่อดได้ขยายได้เล่นนนเล่นล น, นี่ได้นะจิตแม่สงบจริงก็เกิดนิมิต นิมิตันมันมีสารพัดรูปแบบเลยนิมิตที่รู้ด้วยตาก็มีมองเห็นนิมิตที่เป็นเสียงก็มีได้ยินนิมิตที่เป็นกลิ่นนิมิตที่เป็นรสนิมิตที่เป็นสัมผัสทางกายนิมิตที่เป็นความรับรู้ทางใจเนี่ยนิมิตเกิดได้หกช่องทางของอายตนะเลยเห็นนั่งๆ่งอยู่เห็นคนมานั่งเห็นนั่งนั่งอยู่บางทีก็เห็นสิ่งที่ไม่ใช่คนมานั่งข้างๆใครกลัวผีบ้าง คนที่กลัวผีจะมีผีนั่งข้างๆกลัวอะไรเกลียดอะไรมักจะได้อนันแหละเนี่นย <_ S 2> ถ้าถ้ามองเห็นใช่ ไ, ไมมองเห็นที่จิตมันสร้างขึ้นมาไม่ใช่ของจริงด้วยถ้าของจริงนะเรียกทิพะจักสุถ้าของไม่จริงจิตสร้างขึ้นมาก็เป็นนิมิตอย่างเรานั่งภาวนาอยู่เห็นเทวดามาเยอะเลยนะเทวดามาขอฟังเทศเหมนเราก็เทศ เ, งเยงเยงด้วยความภูมิใจนะนะ ย้อนกลับออกไปดูอีกทีอา้าวจิตมันหลอนไม่มีเทวดาสักองค์เดียวมีหมาอยู่ตัวเดียวนะเนี่ยจิตมันหลอนเราเนะชื่อไม่ได้หรือได้ยินเสียงบางคนภาวนาแล้วได้ยินเสียงเสียงอะไรตออะไรนะได้ยินอันโน้นได้ยินอันนี้พระบางองค์ยังเพี้ยนเลยได้ยินเสียงผู้หญิงร้องได้ยินเสียงผู้ชายครางอะไรได้ยินอย่างน้นอย่างนี้เนี่ยนิมิตเสียงนะอย่าไปใส่ใจ นี่มนะีกลิ่นนั่งๆอยู่นะได้กลิ่นศพได้กลิ่นโน้นได้กลิ่นนี้ น, ะนี่ก็นี่มีกลิ่นนี่มีรสก็มีนะกินข้าวเปล่านะร้อยอร่อ ย, ออยนะอร่อยมากเลยแหมเหมือนกินของที่อร่อยที่สุดเลยนะีน่มีสัมผัสทางกายก็มีอย่างเรานั่งแล้วเมื่อยเต็มทีนะเมื่อยเมื่อยเนะนั่งเหยียดขาออกไปนะมีความรู้สึกเหมือนคนมากดเส้นให้นะเห็นเนื้อเนี้ยบุ๋มลงไปเลยเนะีนะ้ยบุม๋มบุมลงไปนะแหมมันกดเก่งนะ มันกดไว้4ี่บวินาทีแล้วปล่อยปุ๊บแม่เลือดวิ่งไปถึงปลายขาเลยนี่ น, นิมิตสารพัดจะนิมิตนิมิต ท, ที่รู้ด้วยใจก็มีรู้อดีตรู้อนาคต ร, รู้นนรู้นี่นสิ่งเหล่านั้นไม่เกี่ยวอะไรกับความพ้นทุกข์เลย <c oughs> เป็นแต่ของสนุกนะแต่หาสาระไม่ได้สนุกอย่างเดียวแในโลกไอ้สิ่งสนุกสนุกก็มกักจะไม่มีสาระเท่าไหร่หรอกสิ่งที่มีสาระไม่ค่อยสนุกหรอกนะ นี่เรื่องของสมถะอย่าไปใส่ใจมากจริงแต่ว่าผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยที่ลงมือปฏิบัตินั้นส่วนใหญ่ติดสมถะเพ่งกายบ้างเพ่งใจบ้างเพ่งอย่างอื่นบ้างนะเพ่งไปเรื่อยๆการปฏิบัติอย่างหนึ่งเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาเนี่ยของสําคัญต้องเรียนสมถะเอาไว้ชาติที่ไม่เจอาศาสนาพุทธเรียนก็ยังทันยังมีให้เรียนไม่เคยหายไปจากโลกเลยสมถะหมูมากเลยง่าย สมถาลักของมันก็แค่เอาใจไปอยู่กับอารมณ์มันเดียวอย่างสบายๆอย่างต่อเนื่องก็แค่นั้นเองไม่ต้องมีพระพุทธเจ้ามาสอนส่วหลักของวิปัสสนาเนี่ยต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้าตารัสรู้ถึงจะมีคําสอนชนิดนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ยากลําบากยากเหลือเกินในสังสารวัตรที่จะได้ยินคําว่าวิปัสสนาแล้วก็รู้หลักของวิปัสสนายากมากนะถ้าไม่มีบญจริงไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเรื่องของวิปัสสนากรรมฐาน ก็ต้องมีบุญนะมีบุญส่งมาได้ยินได้พบสัตบุรุษได้ฟังธรรมของสัตบุรุษได้น้อมนำธรรมที่สัตบุรุษถ่ายทอดมาจากพระพุทธเจ้าเอาไปปฏิบัติและปฏิบัติสมควรแก่ธรรมจนตัวเองเข้าถึงธรรมะเนี่ยถึงเรียกว่าคนมีบุญร้อยเปเซมีบุญเบื้องต้นก็คือได้เกิดในประเทศที่มีศาสนาอยู่อย่างคนไทยทั่วๆไปนี นะก็มีบุญได้เกิดในประเทศที่มีศาสนาอยู่ศา ส, สนาส่วนมากเราถ่ายทอดกันด้วยภาษาไทยนะอย่างคนต่างชาติมาเรียนที่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อสงสารมันมากเลยมันฟังกันไม่รู้เรื่องนะ้ําเรียนยากนะยากมากเลยวัฒนธรรมอะไรก็ไม่ได้กล่อมเกล่าว ม, มาเพื่อจะให้เรียนรู้หลักของชาวพุทธวัฒนธรรมก็แตกต่างความคิดความเชื่ออะไรก็แตกต่างคิดอะไรก็เป็นฟิสิกส์ไปหมดเลยนี่พวกเราบุญละ ได้เกิดในแผ่นดินอย่างนี้แค่นี้ยังไม่บุญพอคนที่เกิดในแผ่นดินไทยเป็นมหาโจรก็มีเห็นไหมคนที่สนใจธรรมะได้มาฟังธรรมะเนี่ยคนที่เที่ยวสแสวงหาธรรมะก็เยอะนะแต่เที่ยวสแสวงเข้าวัดโน้นออกวัดนี้ไปเรื่อยๆมันไม่ได้ของอะไรเลยได้ความสับสนไปด้วยซ้ำไปถ้าได้ฟังธรรมแท้ๆเรื่องการเจริญสติเรื่องการทาวิปัสสนากรรมฐาน แล้วเอาไปทําได้ถึงเรียกว่าคนมีบุญแท้มีบุญเต็มที่มีบุญสมบูรณ์แบบเพื่อได้เข้าถึงธรรมะเลยีนก่อนจะเข้าถึงธรรมะนะต้องฟังทำรู้เรื่องแล้วเอาไปปฏิบัติเอาทำที่จะทําให้เราได้ธรรมะก็คือวิปัสสนานั่นเองวิปัสสนากรรมฐานทําไปเพื่ออะไรวิปัสสนากรรมฐานนะทำไปเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราอันนี้เบื้องต้นนะ วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเบื้องต้นทำไปเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราวิปัสสนากรรมฐานในเบื้องปลายนั้นทำไปเพื่อถอดถอนความยึดถือในกายในใจนี้สองขั้นตอนนะไม่เหมือนกันหรอกเบื้องต้นจะละความเห็นผิดได้โดยการทำวิปัสสนาจะละความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรา มีกายมีใจนะักกายกับใจเป็นเรามีเราอยู่ในกายในใจนี้มีเรานอกเหนือจากกายจากใจนี้มีตัวเราอยู่จริงๆเนี่ยถ้าทำวิปัสสนากรรมฐานนะเบื้องต้นก็จะละความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้ละไปทำไมก็อะไรที่มันเป็นตัวทุกข์อ่ะก็สิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั่นแหละคือตัวทุกข์สังเกตไหมสิ่งที่ทุกข์อยู่ที่ไหน ความทุกข์อยู่ที่กายใช่ไหมความทุกข์อยู่ที่ใจความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นยิ่งถ้าเรารู้สึกว่านี่เป็นกายเรานะพอร่างกายนี้แก่ลงไปพอร่างกายเจ็บป่วยพอร่างกายจะตายนะมันเสียดายทุรนทุรายมันมีความทุกข์มากมายนะร่างกายเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทนะุกทางใจมันเกิดขึ้นมาหรือเราเห็นว่าจิตใจนี่เป็นตัวเราพอนะจิตใจเป็นตัวเรานะเดี๋ยวก็เกิดตัณหาเดี๋ยวก็เกิดทิฏฐิ เรามีเราแล้วมันก็ต้องอยากโน่นอยากนี่เพื่อให้เรามีความสุขเพื่อให้เราพ้นทุกข์ไม่เฉพาะอยากอย่างเดียวนะยังเจ้าความคิดเจ้าความเห็นว่าฉันคิดอย่างนี้ฉันเชื่ออย่างนี้ยสิ่งที่ฉันคิดฉันเชื่อเนี่ยดีที่สุดคนอื่นคิดผิดเชื่อผิดนะเนี่ยพอมันไปเห็นว่ามันมีเรานะตัณหากะทิฐิมันก็จะเข้ามาแทรกก็เข้ามาแทรกแล้วอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อไรตัณหาเกิดขึ้นในใจเรานะเราจะทุกข์ทันทีเลย จิตใจจะมีความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไรเรายึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองเมื่อนั้นความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นคนในโลกนี้ทะเลาะวิวาทกันเพราะว่าตัณหาและทิฏฐิทั้งสิ้นไม่ทะเลาะวิวาทกันด้วยปัจจัยอย่างที่สามคนทั้งหลายทะเลาะกันเพราะตัณหาและทิฏฐิตัณหาก็คือมันอยากใช่ไหมต่างคนต่างอยากความอยากมันขัดแย้งกัน มันก็อยู่กันไม่ได้หรือบางทีความอยากมันตรงกันก็อยู่กันไม่ได้เช่นอยากเป็นนายกด้วยกันนี่ความอยากมันตรงกันนะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ะงั้นมีความอยากขึ้นมานะคนก็ทะเลาะวิวาดกันมีทิฐิคือมีความคิดความเห็นคนก็ทะเลาะกันเห็นแตกต่างกันก็ตีกันนะเดี๋ยวนี้คนไทยจะบ้ากันไปหมดละกระทั่งคนในบ้านเดียวกันนะยังมีหลายฝ่ายใช่ไหมทะเลาะกันเองเริ่มตีกันเริ่มพูดกันไม่ได้ละในบ้าน แต่เดิมก็อยู่ในแค่ในสังคมใหญ่ๆแล้วก็ลามเข้าไปในที่ทํางานมีฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาแต่ก่อนนี้เดี๋ยวนี้เขาเรียกฝ่ายอะไรก็ไม่รู้นะหลวงพ่อไม่ได้ตามขา่าว <c oughs> แล้วมันลามเข้ามาอยู่ในบ้านเห็นไม้มว่าคนมันทะเลาะ ก, กันเพราะความเห็นมันขัดแย้งกัน <c oughs> ทะเลาะ ก, กันเพราะผลประโยชน์มันขัดแย้งกันทําไมมันต้องยึดถือในความเห็นยึดถือในผลประโยชน์เพราะมันมีตัวเรา ถ้าไม่มีเราซื้ออย่างเดียวนะมันจะไปแย่งผลประโยชน์อะไรกับใครถ้าไม่มีเราซื้ออย่างเดียวนะมันก็ไม่มีความคิดเห็นของเรานะความคิดความเห็นมีนะแต่ไม่ได้ยึดถือว่าคนอื่นเขาจะต้องเชื่อตามเนื่ในโลกมันวุ่นวายนะจิตใจของเราเ ร, าร่าร้อนก็เพราะตัณหาเพราะทิฏฐิมีตัณหามีทิฏฐิก็เพราะว่ามันหลงผิดว่ามีเราอยู่ถ้าเราภาวนาจนวันหนึ่งถอดถอนความเห็นผิดว่ามีเราไดนะ้ชีวิตจะสบายขึ้นอีกเยอะเลย เพราะโสดาบันนะชีวิตมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกมากเลยไม่ต้องพูดถึงขนาดพระละหันซึ่งท่านหมดความยึดถือในกายในจิต เ, เมื่อกี้บอกแล้วว่าวิปัสสนาเบื้องต้นทําลายความเห็นผิดว่ามีตัวเราว่ากายกับจิตเป็นตัวเรามีตัวเราในกายในจิตนี้มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากจิตนี้ตัวเราไม่มีในเบื้องปลายจะถอดถอนความยึดถือ ทำลายความยึดถือในกายในจิตไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือจิตแล้วก็ไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกแต่อนุโลมตามโลกนะไม่ใช่พระอราหันต์ขวางโลกไม่ยึดถือแล้วขวางก็เข้าไปเรื่อยๆที่จริงก็คืออยู่กับโลกคล้อยตามโลกนะแต่ไม่ติดกับโลกเหมือนดอกบัวอยู่ในน้ำอยู่ในโคลนไม่ติดน้ำไม่ติดโคล น, นจิตใจของพระอราหันต์นะก็อยู่กับโลกนลั่นแหละไม่ใช่ว่าพ้นไปจากไหน แต่ว่ามันไม่ยึดถืออะไรแล้วไม่มีอะไรย้อมจิตได้จิตใจเป็นอิสระอย่างแท้จริงนี่ทำวิปัสสนาและสิ่งที่จะได้มาก็คืออนันนี้อันแรกเลยละความเห็นผิดว่ามีตัวเราในเบื้องปลายละความยึดถือในกายในใจนี้แล้วก็ไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกแล้วก็จะไม่ทุกข์เพราะสิ่งใดในโลกอีกแล้วนะวิธีทำวิปัสสนาทำยังไงเรารู้วัตถุประสงค์แล้วว่าทาไปเพื่อละความเห็นผิดนะ เกี่ยวกักายกับใจเพราะฉะนั้นการจะล้ความเห็นผิดเกี่ยวกับกายกับใจได้ก็ทําได้ด้วยวิธีเดียวคือต้องเห็นถูกในกายในใจต้องดูว่ากายจริงๆเป็นตัวเราไหมจิตใจจริงๆเป็นตัวเราไหมครยดูอยู่ที่กายคอยดูอยู่ที่ใจคอยดูความจริงของเขาว่าเขาเป็นตัวเราหรือไม่เป็นเฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ได้ทําที่อื่นวิปัสสนากรรมฐานต้องรู้อยู่ที่กายที่ใจนะ อย่างบางคนไปเดินจงกรมแล้วก็รู้ว่าพื้นมันเย็นพื้นมันร้อนพื้นมันอ่อนพื้นมันแข็งแล้วบอกว่าทํำวิปัสสนาอยู่ใครเขาเห็นว่าพื้นเป็นตัวเราบ้างไม่เห็นหรอกใช่ไหมในวิปัสสนาต้องรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจนะโดยเฉพาะกายกับใจของตัวเองไปรู้กายรู้ใจของคนอื่นกิเลสมันจะมากขึ้นด้วยซ้ําไปให้รู้กายรู้ใจตัวเองนี่แหละมันจะถอดถอนกิเลสได้ดังนั้นวิปัสสนากรรมฐานาน่าแรกเลยต้องรู้กายรู้ใจ รู้ ก, กายรู้ใจอย่างเดียวไม่พอต้องรู้ตรงตามความเป็นจริงด้วยความเป็นจริงของมันคือมันไม่ใช่ตัวเราหรอกต้องเข้าใจนะเราต้องเห็นว่ากายกระใจไม่ใช่ตัวเราวิธีเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราบางคนเห็นว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็เลยไม่ใช่เราบางคนเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์มันไม่ใช่เราบางคนเห็นว่ามันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่เราคือเห็นไตรลักษณ์นั่นเองสรุปง่ายๆวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ ของกายของใจจำไว้นะมีปรัชนากรรมฐานไม่ใช่แค่เห็นกายเห็นใจแต่ต้องเห็นกายเห็นใจตรงความจริงความจริงของกายของใจก็คือไตรลักษณ์งพรนั้นถ้าจะทําวิปรัสนากรรมฐานต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจการที่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนี่เรียกว่ามีปัญญามีวิปรัชนาปัญญาปัญญานี้เกิดจากอะไรนี่ถึงวิธีปฏิบัติแล้วทีแรกหลวงพ่อบอกว่า วัตถุประสงก่อนนะวัตถุประสงค์ของวิปัสสนาเนี่ยเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ามีเราเพื่อละความยึดถือในกายในใจ น, นี่วัตถุประสงค์หลักของการปฏิบัติก็คือต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะถึงจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราถึงจะหมดความยึดถือในกายในใจได้ น, ะนี่เป็นตัวหลักเป็นแก่นเลยของการปฏิบัติคราวนี้มาทูดเรื่องวิธีการทําอย่างไร เราจะสามารถเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ทำอย่างไรอันแรกเลยจะต้องมีเครื่องมือคือสตนะิเครื่องมือตัวที่สองคือสัมมาสมาธิสติเป็นเครื่องระลึกอย่าไปแปลสติว่ากำหนดนะรุ่นหลังๆมาแปลสติว่ากำหนดเราเพี้ยนไปหมดนะสติเป็นความระลึกได้ระลึกได้ถึงอะไรระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกาย ะระึได้ถึงความมีอยู่ของจิตใจกายกระใจในปัจจุบันนี้บางคนมันเพี้ยนนะไปบอกว่าระลึกได้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่อันนั้นเข้าใจผิดแล้วถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ะระลึกว่าเรายังมีชีวิตอยู่นนั้นก็ยิ่งฝังแน่นลงไปเลยว่ามีตัวเราเพราะงั้นพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติชีวะนะท่านบัญญัติขันห้า นั้แยกแยะลงไปเห็นมีแต่ขันห้าขันห้าย่อลงมาก็คือรูปกับ น, นามคือกายกับใจพวกเราเรียนยังไม่ถึงขันห้าก็เรียนกายเรียนใจไปก่อนนั้นะเราคอยรู้สึกนะัสติจะเป็นตัวรู้รู้ถึงกายรู้ถึงใจเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นจะลืมกายลืมใจเมื่อไรขาดสติสติตัวนี้ไม่ใช่สติธรรมดานะถ้าสติธรรมดาธรรมดานี่เมื่อไรจิตเป็นกุศลเมื่อนั้นก็มีสติแล้ว เช่นอยากทําบุญอยากใส่บาตรอยากฟังเทศนะอยากช่วยเหลือคนนะไปทําสังคมสงเคราะห์นี่ไปทำเงินโน้นทำนะอันนี้ที่ดีๆอันนี้มีสติทั้งสิ้นนะแต่เป็นสติธรรมดาไม่ใช่สติชั้นสูงที่เรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือสติที่รู้กายรู้ใจสังเกตดูเถอเมื่อไร่เราลืมกายเมื่อไหรเราลืมใจเมื่อ น, นั้นเรียกว่าขาดสติเนะมื่อไร่ลืมกายเมื่อไร่ลืมใจเมื่อ น, นั้นขาดสติ แล้เมื่อไร่ที่ลืมกายลืมใจละ่ะเมื่อหลงไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อ น, นั้นจะลืมกายลืมใจเราจะทดลองนะอ้าวชาวบางบ่อแล้ก็ชาวบางไหนก็เอานะช่วยกันดูพระพุทธรูปข้างหลังหลวงพ่อลืมตาขึ้นมาดูนะดูเฉพาะตรงยอดท่านนะตั้งใจดูให้ดีว่าเอียงข้างไหนเอียงข้างซ้ายหรือข้างขวาดูให้ดีนะ สังเกตออกไห้ยอดท่านมีกี่แฉกมีแฉกเล็กๆหลายแฉกสังเกตไหมขนาดที่จ้องดูพระพุทธรูปลืมกายลืมใจตัวเองรู้สึกไหมมีร่างกายอยู่ก็ลืมมันไปแล้วมีใจของเราวิ่งไปอยู่ที่พราเราก็ไม่เห็นนะแต่บางคนสังเกตไหมพอนั่งดูพระพุทธรูปอยู่พอก็ได้ยินเสียงะระฆังนะใจกระฉอกขึ้นมาใจไหวขึ้นมาอันนี้ยังไม่เกี่ยวนะอันนี้เรื่อง เสียงกระทบหูแล้วจิตมันหลงไปฟังงั้นสังเกตดูเวลาที่เราไปดูอะไรนี่จิตเราจะถลําไปเกาะอยู่ที่นั่นเช่นเวลาเราไปดูทีวีวันนี้กลับบ้านไปดูทีวีนะแต่ไม่ต้องดูเนื้อหาสาระของมันดูแล้วก็ตั้งใจดูให้ดีแล้วค่อยๆสังเกตว่าจิตเราไหลไปอยู่ในทีวีนะเราหลงไปเมื่อไรจิตเราหลงไปดูเมื่อไรจิตหลงไปฟังเมื่อไรจิตหลงไปคิดเมื่อนั้นจะลืมกายลืมใจเมื่อนั้นขาดสติ เมื่อนั้นไม่ได้เจริญสติปัฏฐานเมื่อนั้นไม่ได้ทำมิปั ส, สนากรรมฐานอย่างคุณเสื้อขาวเนี่ยที่ชอบนั่งสมาธิใ่ไหมใจมันลืมตัวเองไปเป็นแวบบแวบบแบบนะมันลืมไปมขาดสตินะอาจจะมีสติดีๆนะมีสติธรรมดานะเช่นตั้งใจฟังธรรมะแม่มีความสุขน้อมกลับเข้ามาทำสมถะจิตสงบมีความสุขนี่เป็นกุศลเหมือนกันนะจิตมีสติเหมือนกันแต่เป็นสติธรรมดาเพราะามันลืมกายลืมใจ ถ้าลืมกายลืมใจทำวิปัสนาไม่ได้เพราะวิปัสนาต้องรู้กายรู้ใจนี่ทำยังไงสติจะเกิดต้องเรียนนะไม่ใช่อยู่ๆสติเกิดได้เองสติเกิดเพราะจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะเห็นบ่อยๆแล้วหน้าที่ของเราผู้ปฏิบัติเนี่ยคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกคุณเสื้อขาวเนี่ยใจไปคิดละเห็นไหม มันไหลไปคิดแล้วก็คอยรู้สึกไม่ห้ามนะอย่าดึงไว้ถ้าดึงไว้ผิดเราแค่คอยรู้สึกหัดรู้สึกอย่าแทรกแซงเช่นจิตมันมีความโลภขึ้นมารู้ว่ามันโลภอย่าแทรกแซงว่าห้ามโลภหรือจงหายโลภนะจิตมันโกรธขึ้นมารู้ว่ามันโกรธอย่าแทรกแซงว่าห้ามโกรธหรือว่าจงหายโกรธไม่ต้องแทรกแซง ในความเป็นจริงแล้วสภาวะทั้งหลายนั้นพวกเราเห็นได้อยู่แล้วโดยเฉพาะสภาวะที่เป็นนามธรรมแต่สภาวะของรูปธรรมนั้นเห็นยากที่สุดนะอย่างหลวงพ่อยกอันนี้ให้ดูเนี่ยว่าอันนี้คืออะไรเห็นอะไรเราจะรู้สึกว่าเห็นพัดเห็นพัดไม่ใช่ไม่ใช่ตัวรูปนะพัดไม่ใช่ตัวรูปทำถ้าตัวรูปจริงๆคือเห็นอะไรคือเห็นสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนี้เพราะฉะนั้นกว่าจะเห็นรูปได้ยากนะ หรือเรารูปเนี่ยรูปลงไปถามว่าเรารูปอะไรบอกรูปแขนรูปแขนไม่ใช่ปรมัตร์นะรูปแขนไม่ใช่ตัวรูปแท้แท้ถ้าเรารู้สึกว่านี่เป็นก้อนธาตุห น, นึง่งรู้สึกด้วยใจว่ามันเป็นแค่วัตถุ ก, ก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราร อ, อันนั้นถึงจะเรียกว่ารู้รูปจริงๆมันรูปนี่รู้ยากแต่นา ม, มาทมนั้นรู้ง่ายพวกเรารู้จักความโกรธใช่ไหมรู้จักความโลภรู้จักใจลอยรู้จักฟุ้งซ่านรู้จักหดหู รู้จักกลัวรู้จักกังวลรู้จักอิจฉารู้จักดีใจรู้จักเสียใจเรารู้จักอยู่แล้วเวลาเราจะหัดให้เกิดสตินะก็คือหัดดูสภาวะไปใจของเรามีความโลภเกิดขึ้นมาเราก็รู้ใจของเราโกรธขึ้นมาก็รู้ใจมันหลงไปฟุ้งซ่านหดหู่สงสัยขึ้นมาก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเฉยเฉยก็รู้หัดรู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วสติจะเกิด สติเกิดนี่จะเกิดเองโดยที่ไม่ได้สั่งให้เกิดนะสั่งให้เกิดไม่ใช่สติตัวจริงเป็นสติจอมปลอมเป็นสติเพ่งๆ เ, เอาไว้บังคับไว้ใช้ไม่ได้จริงนี่วิธีให้เกิดสตินะสติจะทําให้เราสามารถรู้กายรู้ใจที่กําลังปรากฏในปัจจุบันได้โดยที่ไม่ได้เจตนานะนี่คีย์เวิร์ดนะคีย์เวิร์ดค่อนข้างยาวสติเป็นตัวที่ทําให้เรารู้กายรู้ใจที่กําลังปรากฏเนะี่ยโดยที่เราไม่ได้เจตนา อีกตัวหนึ่งก็คือตัวสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตสมาธิที่พวกเราฝึกเนี่ยไม่ใช่ความตั้งมั่นของจิตแต่เป็นสภาวะที่จิตไหลไปแช่อยู่กับตัวรมจิตไหลไปนิ่งอยู่ที่ตัวรมอันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิสัมมาสมาธินี่จิตจะตั้งมั่น ในขณะที่รู้อารมณ์จิตอยู่ต่างหากเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าจิตเป็นคนดูเห็นจิตใจมีความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยจิตเป็นคนดูเห็นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นจิตเป็นแค่คนดูเห็นจิตเกิดดับทางตาหูจมูกเล่นกายใจแล้วก็มีจิตอีกดวงหนึ่งเป็นคนดูนี่มันจะแยกออกไปนะแยกขันออกไป แยกสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูกับจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูมันจะแยกออกจากกันจิตที่มันแยกออกมาได้เนี่ยเพราะว่ามันมีสัมมาสมาธิมันตั้งมั่นอยู่ต่างหากจิตที่ไม่แยกคือจิตที่มันไหลเข้าไปรวมในอารมณ์ยกตัวอย่างที่ง่ายๆที่ดูง่ายๆนะอย่างเวลาเราดูฟุตบอลเวลาเราดูฟุตบอลเรานั่งอยู่บนอัธจันทร์เห็นนักฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมามีสองฝ่ายวิ่งไปวิ่งมา อันนีนะ้ใจเราอยู่ต่างหากนีร่างกายเราอยู่ต่างหากร่างกายเราไม่ได้อยู่ในสนามบอลเวลาเราภาวนาก็เหมือนกันเราเห็นกายเราเห็นจิตนี่มันทํางานอยู่เหมือนมันอยู่ในสนามฟุตบอลเราเป็นแค่คนดูอยู่ห่างๆดูอย่างสบายๆอยู่บนอัธจันทร์เนี่ยใจเราตั้งมั่นอยู่ต่างหากนะใจไม่ไหลรวมเข้าไปในอะารมณ์คือไม่หลงวิ่งเข้าไปในสนามฟุตบอลเนี่ยใจที่ตั้งมั่น ความตั้งมั่นของจิตเนี่ยจะทําให้เกิดปัญญาคือจะเห็นว่าไอ้ตัวซึ่งมันวิ่งไปวิ่งมาอยู่นั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกเหมือนวิ่งอยู่ห่างๆมันไม่ใช่ตัวเรามันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงแลมันไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลามันหยุดนิ่งไม่ได้นะมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันไม่ใช่ตัวเรานี่เรียกว่ามีปัญญางั้นปัญญาเกิดจากจิตที่ตั้งมั่นเกิดจากมีสติ รู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูตั้งอยู่เป็นกลางกลางเราะเราต้องเรียนให้ได้นะว่าทำยังไงสติที่แท้จริงจะเกิดทำยังไงสัมมาสมาธิที่แท้จริงจะเกิดส่วนที่ฝึกกันมั่นเป็นมิจฉาสมาธิเกือบร้อยละร้อยเวลารู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเวลาไปรู้ท้องผ่องยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเวลาเดินจงกรมยกเท้ายั่งเท้าจิตไปอยู่ที่เท้า เวลาขยับไม้ขยับมือนะจิตไปอยู่ในมือเวลารู้อิริยาบถสนั้นะก็จิตเพ่งกายทั้งกายเลยนี่ใช้ไม่ได้ทังสิ้นนี้เป็นมิจฉาสมาธินะงั้นเราเรียนให้ได้สองตัวนะเรียนให้ได้สติที่แท้จริงนะซึ่งระลึกรู้กายรู้ใจที่กําลังปรากฏในปัจจุบันนะรู้โดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้แล้วก็มีสัมมาสมาธิคือมีใจตั้งมั่นในการรู้การเห็นปัญญาถึงจะเกิดขึ้นถึงจะเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา ปัญญาเบื้องสูงขึ้นไปอีกก็จะละความยึดถือในกายในใจนี้ได้เพราะเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นแต่ตัวทุกข์ล้วนๆเลยทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะไม่ใช่ตัวเราเนะนี่เส้นทางเดินตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดเดินอย่างนี้ถ้าเดินนอกจากนี้เขาเรียกว่าเดินออกนอกหลักที่พระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่เอกอยายนามัคไม่ใช่ทางสายเอกทางบริสุทธิ์หลุดพ้นมีทางนี้ทางเดียวไม่มีทางที่สอง คือมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนั่นเองหรือการทำสติปัฏฐานหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองนี่เป็นทางสายเอกทางสายเดียวไม่มีทางที่สองเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นที่มากกว่านี้พระริยาเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงสาวกทั้งหลายก็เดินอยู่ในเส้นทางนี้ทั้งนั้นเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับ